สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทยียอภิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวพระยุูตอนที่สองร้อยห้าสิบเจ็ดคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่สามสิบสองครับในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าเราเข้ามาสู่หัวใจหรือศูนย์กลางของคำอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานตามแบบอย่างของที่พระเยซูได้ทรงสอน ก็คือเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพรงษ์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระชัยของพระองค์ในสวรเป็นอย่างไรนั้นพี่น้องครับเราจะพบกับแผ่นดินของพี่เจ้าได้สามวิธีครับวิธีแรกคือหนึ่งการกลับใจเสียใหม่วิธีที่สองก็คือการถวายตัวและวิธีที่สามก็คือการเฉลต์มาครั้งที่สองของ พระเยซูคริสต์พี่น้องครับเราจะพบกับแผ่นดินของพระเจ้าได้มีอยู่สามช่องทางนี้นะครับก็คือการกลับใจใหม่การถวายตัวและรอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูพี่น้องคงจําได้นะครับว่าน้ํามทไทยของพระเจ้านั้นได้กว้างไกลกว้างใหญ่ไพศาเลเสเหลือเกินครอบคลุมเป้าหมายสูงสุดก็คือการชำรบรรณาแผ่นดินชัวน่วนิรันดร์ของพระเยซู นั่นก็คือการเฉลดกลับมาครั้งที่สองและการพิพากษาหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ยุคของฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่น้ำมัไทยกว้างไกลครับน้ำมัไทยที่เตี่ยมด้วยความเมตตาสงสารก็ครอบคลุมถึงเรื่องของการกลับใจใหม่และน้ำมัไทยที่จะต้องประพฤตปฏิบัติก็จะครอบคลุมถึงทัศนะแห่งการเชื่อฟังและการยอมจำนนเพื่อนครับ นี่คือสามสิ่งนะครับที่เราจะพบกับแผ่นดินของพระเจ้าผมอยากจะขอทบทวนอีกครั้งนะครับหนึ่งการกลับใจใหม่ครับสองการถวายตัวสามการรอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูเพื่อที่น้ามัาไทยของพระเจ้าแผ่นดินของพระองค์และสิ่งที่อยู่บนสวรรค์จะสำเร็จเสร็จสิ้นครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับ เปโตรนั้นได้กล่าวไว้ในพระธรรมกิจการบทที่ห้าข้อยี่สิบเก้าว่าข้าพเจ้าจำต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์กษัตริย์ดาวิดก็ตรัสไว้ในสุริบทที่หนึ่ง้สิบเก้าเช่นเดียวกันข้าแต่พระเจ้าขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้เลือกทางความสัตย์ซื่อข้าพระองค์ตั้งกฎหมายของพระองค์ไว้ตรงหน้าข้าพระองค์ข้าพระองค์จะวิ่งในทางพระบัญญัติของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าขอทรงสอนทางกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองและข้าพระองจะรักษาทางนั้นไว้จนสุดปลายข้าพระองปิติยินดีในพระบัญญัติของพระองค์กฎเกณฑ์ของพระองค์เป็นบทเพลงของข้าพระองข้าพระองจะไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์เลยเพราะพระองค์ทรงสงวนชีวิตของข้าพระองข้าพระองรับรักเพราะเพรนะพระธรรมของพระองค์จริงๆรพี่รองครับการที่เราเนี่นจะยอมรับน้ำมไทยของพระเจ้า ก็จะทำให้แผ่นดินของพระเจ้าออกมาตั้งอยู่ก็จะทำให้น้ำพระทัยที่ได้สาเร็จในสวรรค์ก็จะสำเร็จบนแผ่นดินโลกการอธิษฐานนะครับด้วยปากเนี่ยง่ายครับแต่การอธิษฐานที่เป็นความเป็นจริงนั้นยากยากที่จะอธิษฐานด้วยใจจดจ่อที่พระเจ้าเพราะที่ว่าชีวิตของมนุษย์นั้นมีความบาปเยอะ ความบาปนั้นเป็นตัวฉกาัดฉกันหนักหนาสาหัสที่ดึงมนุษย์ออกจากพระเจ้าและความบาปประเภทหนึ่งนั้นที่น่าสนใจและน่าทุกเวทนาก็คือความเยื่อหยิ่งยะโสครับเรามีความปรารถนาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ความปรารถนาของตัวเองเนี่ยนะครับตัวตนของเราเนี่ยเป็นศัตรู ความปรารถนาหรือน้ำมัทไธยของพระเจ้าเดี๋ยครับโปรดฟังกันครับความต้องการความปรารถนาของเรานั้นที่เราโฟกัสอยู่ที่ตัวเราหรืออ e ีโกเซนติกเป็นศัตรูกับความปรารถนาหรือน้ามัทไธยของพระเจ้าและแผ่นดินของพระองค์ในโลกเราครับสมมุติว่ามีประชากรของโลกอยู่ห้าพันล้านคนอย่างน้อยนะครับต้องมีห้าพันล้านเรื่อง ที่เป็นความปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ณเวลานี้แต่บนสวรรค์ครับมีความปรารถนาเดียวมีน้ำมันไทยเดียวก็คือน้ำมันไทยขององค์พระบุพเนเจ้าและความปรารถนาและน้ำมันไทยเดียวนี้เป็นความปรารถนาที่ชอบธรรมที่สุดสมบูรณ์แบบครบถ้วนที่สุดมีความปรารถนาเดียวของพระเจ้าเท่านั้นที่จะสำเร็จในสวรรค์ ของพระเจ้าเท่านั้นมีความปัจฉนาของพระเจ้าเท่านั้นที่ต้องสําเร็จในส่วนและในที่สุดจะสําเร็จบนแผ่นดินโลกด้วยแต่ความเยื่อหยิงยะโสมักคอยขัดขวางเสมอครับความเยื่อยิงยะโะยสนั้นมาจากไหนครับมาจากมารซาตานแต่เราสามารถขจัดความเยื่อหยิงยะโสออกไปได้อย่างไรครับพี่น้องครับโรมบทที่สิบสองข้อหนึ่งและข้อที่สองมีคําตอบอยู่ที่นี่ เรามาดูกันนะครับว่าโรมบทที่12ข้อที่1และข้อที่2กล่าวว่าอย่างไรที่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงวิงวอนทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่ขอประไถ่พระเจ้าซึ่งเป็นการนมัส ก, การโดยวิญญาณจิตของทั้งหลายอย่าเพื่ตามอย่างคนในยุค น, น, นี้ แต่จงรับการเปล him, ga, genau, so rauen, hmm. ี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านที่จะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ําัทไทยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบมัทไทยและอะไรดียอดเยี่ยมพี่น้องครับน้ําัทไทยของพระเจ้านั้นจะไม่สามารถเป็นจริงได้จนกว่าเราจะมอบถวายชีวิตของเราไว้บนแท่นบูชาน้ําัทไทยของพระเจ้านั้นที่มีต่อเราจะไม่สามารถเป็นจริงได้จนกว่าเรามอบถวายชีวิตของเราไว้บนแท่นบูชา จนกว่าเราจะเป็นเครื่องบูชามีชีวิตและจนกว่าความปรารถนาของเราหรืออ e ีโกเซนทริกของเรานี้จะสูญสิ้นไปครับพี่น้องเครื่องบูชามีชีวิตนี้อาจแตกต่างไปจากที่เราคิดนะครับแต่อยากจะยกตัวอย่างในผสมการบทที่ยี่สิบสองอับราฮัมนั้นได้เอาฟืนใส่บาของอิสอักและตลอดทางที่เดินขึ้นภูเขาที่แควนโมริยาอับราฮัมคงจะต้องพูดและถามพระเจ้า ยะแยะมากมายนะครับเป็นเรื่องที่แปลกที่พระเจ้าจัดให้อับราฮัมตับสั่งอับราฮัมให้ขึ้นไปบนบุเขาและฆ่าบุตรชายของตัวเองบุตรชายผู้เดียวซึ่งเป็นที่รักที่สุดเป็นบุตรชายที่พระเจ้าสัญญาในพันธสัญญาของพรองเป็นบุตรชายที่จะทาให้พันธสัญญาของพระเจ้าสาเร็จพระเจ้าสัญญาว่าจะประทานบุตรชายคนหนึ่ง ในขณะที่นางซาร่าเป็นหมันและอับราฮัมก็ชลาแล้วแต่ตอนนี้พระเจ้าสั่งให้อับราฮัมนั้นเอาอิสอัคลูกชายคนเดียวนั้นวางบนแท่นบูชานี่นะครับคือเครื่องบูชาอันมีชีวิตและพระเจ้าบัญชาให้เขาขวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชาซึ่งมันช่างไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมครับ พี่น้องครับนี่คือความหมายของคำว่าเครื่องบูชาอันมีชีวิตหมายถึงการเชื่อฟังอย่างสุดๆครับพีรน้องครับลองนึกถึงครับอับราฮัมมุ่งหน้าเดินขึ้นเขาและยิ่งเป็นภาพที่ดราม่ามากเมื่ออิสตักถามถามว่าลูกแกะที่ต้องสวายบูชานั้นอยู่ที่ไหนผมเชื่อว่าอับราฮัมนั้นคงจะร้องไห้ แต่น้ำตาของเขาอาจจะไม่ได้ไหลออกครับน้ำตาของเขาคงจะไหลเข้าขณะที่เขามัดอิสอักไว้บนแท่นบูชา mm hmm. เขายื่นมือจับมีดพร้อมจะฆ่าบุตรชายถ้าอับราฮัมลงมือทำอย่างนั้นอิสอักก็จะกลายเป็นเครื่องบูชาที่ตายแล้วครับแต่พระเจ้าทรงมีหน้ามัทไพรที่เลิศประเสริฐกว่านั้น อับราฮัมจะเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่อิสอัคก็จะเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่ทั้งสองคนเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่ครับเพราะว่าทั้งสองคนนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอับราฮัมนั้นตายต่อตัวเองเพื่อการเชื่อฝังพระเจ้านี่คือจิ่ที่น่าสนใจที่สุดครับและเป็นความมุ่งมั่นปรารถนา ของพวกเราที่เป็นคริสเตียนนี่ใช่ไหครับที่เราจะต้องตายต่อตัวเองเพื่อการเชื่อฟังพระเจ้าคำถามก็คือว่าเราตายเพื่อพระเยซูได้ไหมตายต่อตัวเองเพื่อพระเยซูนั้นก็อาจจะยากแต่เป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราถ้าถามว่าเราสามารถมีชีวิตเพื่อพระเยซูได้ไหมคำตอบก็ง่ายขึ้นนะครับ แต่พี่น้องครับเมื่อเรามีชีวิตเพื่อพระเยซูก็เท่ากับเราตายเพื่อพระเยซูเราสามารถดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูโดยไม่เห็นแก่ตัวเพื่อพระเยซูได้หรือเปล่าถ้าเราเต็มใจเราตั้งใจอย่างนั้นเราก็จะสามารถรู้น้ำพระทัยรีเลศของพระองค์ได้แต่สิ่งที่มักจะเป็นอุปสรรคขัดขวางการอธิษฐานของเรา เพื่อรับเอาน้ำมัทไยของพระเจ้าให้เกิดขึ้นก็คือความต้องการของตัวเองเนี่ยนะครับมันก็จะสวนทางสวนทางกับความปรารถนาของพระเจ้าและน้ำมัทไธยของพระองค์เพราะอะไรครับเพราะว่าความต้องการตัวนั้นก็จะเป็นความมักใหญ่ไปสูงเป็นราชาตัณหาเป็นความโลภแต่เมื่อเราเรียนรู้การอภิษฐานตามอย่างที่เบูสรงสอนเพื่อชีวิตของเรานั้นจะ ต, ต้องทําอย่างที่สอดคล้องกับน้ำมัทไธยของพระเจ้า ชีวิตของเราก็รับการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าตื่นเต้นและเราจะมีประสบการณ์กับการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าอย่างที่สุดพี่น้องครับผมจะจบวันนี้ด้วยคําถามสั้นๆก็คือว่าเราสามารถตายเพื่อพระคิดได้ไหมเจ้าตั้งใจตายเพื่อพระคิดเราก็จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ได้แต่เมื่อเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ครับ เราก็จะสามารถรู้น้ำพระทยอันดีเลิศของพระองค์ได้อาเมน